โอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงพระธรรมิกษ น, นาบรรดาสารณาธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราพุทธบริษัททั้งหลาย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 ก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุระซึ่งเป็นสหธรรมิกของท่านผาดจากนั้นก็มาถึงยกของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบารีโุโนปมาจา ร, ริจันโทจันเจ้าพระคุณอุบาลีโุโนปมาจาร ท่านบริหารกิจการระสศาสนาทั้งฝ่ายปริยัตและทั้งฝ่ายปฏิบัตภาษากฎหมายค็ว่าคันท ธ, ธุระและวิปัสนาธุระทันธตธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซส่งสบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นโู้ตราเป็นกฎหมายสงขึ้นม า, าเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสง์และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนลัรธมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติธุดงกรรมฐาน พระคุณเจ้าพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่างถ้าจะพูดถึงจำนวนบุหารของของท่าน <c oughs> ท่านเป็นผู้ชำนิชำนานอกจากจะชำนาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วเป็น แล้วยังเป็นนักกวีแต่งกรอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังสาบซึ้งอาตมายังได้จำคำสอนซึ่งเป็นคำกรอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาอิสานท่านบอกว่ากรรมาฐานโจกแก้วแถวทํำบ่อเตียงตอกกรรมาฐานพ่อบ่อมาาขี่ใหหมูเหม็น ขา้าวกะหรือมันแล้วกรมัขานหมูเทือนได้อาหารอินทองนอนมุ่งนางทำอันนี้จมติดตาตดจิตใจบาเร่มจะเกิดเราเ อ, อกอันหนึ่งทันว่าอัศจรรย์ปาลาไหลรดหลาดนาอานาฏหนีนายบั้งสมโพเป็นสมสืบว่องบาหม้อเอามาถึงยกผูเป็นสมสื บ, บว่องเสสบาหม้อละแล้วกระมัง อาจจะมาไปเยี่ยมใครหลวงปู่ฟันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพเพียงสามวันเท่านั้นเองท่านกำลังนอนคุมโปองอยู่พอไปกราบท่านแล้วก็บอกมือห้ามพระไม่ให้ลบควรท่านท่านก็บอกว่าเอาลบเอาลบเอาลบถึงสามครั้ง พละขัดไม่ได้ก็พระยุงท่านลุกขึ้นมาพอท่านลุกขึ้นมาแล้วพอท่านมองเห็นมือสันๆนยอ่อขึ้นมาอย่างนี้เลยอะไรครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วทำเก่งด้วยเสียได้อย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่เท่านั้นต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยกรรมฐ า, านในสายนี้ถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะ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 นางฟ้านางเทวดาไม่มีใครแย่งอ ย, อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันอับเรย์จันไรเพียงจะเป็นสมพานมันยังมีผู้อยากมาแย่งเป็นใหญ่ให้ลองคิดดูสิยติโยดทั้งหลายเพราะฉะนั้นได้โพรดมาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบารีคุณโอปรามาจาย์ เป็นพระเถระที่ทรงคุณพุทธที่ทั้งฝ่ายคันทธทุระและวิปัสนาทุระเจ้าพระคุณุบาลีคุคโนปมาจารย์ทำรรหน้าที่สองทางสอนหนังสือธรรมะสอนรักธรรมสอนบาลีสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ขนาดขึ้นนั่งบนธรร ม, มาะพอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเฉยเอาสิจนกระทั่งเทศจบแล้วไม่ยอมลงธรรมะมอา้าวพระเดชพระคุณทำไมไม่ลงธรรมะมสักทีมันจะลงได้อย่างไรละ่ะขาหักแล้วดูสิถ้าเป็นอย่างเราจะว่ายังไงขาหักทั้งขานี่ไม่ร้องโอ้ยโอ้ยเลย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 ตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ิดสมหาเถระเป็นผู้ทำธุระในฝ่ายพันธาธุระแล้วโลกเศรเอกองหนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่เสากันตะสีโลนี่ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียว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 ขาวลปณิบัติอยู่จนกระทั่งมรณาภาคตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงกรรมฐานในสายภาคอิสรัรจยูมาภายหลังวอมมาได้ลูกสิ์คือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโม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 อาจารย์ดุลอตโลกับพระอาจารย์สิงขันธยาขาโมนี่เวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนนี่โรงเรียนท่านปถมอยู่ในวัดพอตกตอนค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มัน่นไปเรียนกับมฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มัน่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถภ า, าวนา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 พระอาจารย์สิงในท่าเจ็บเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาที่การทหารบกทหารอากาศทหารเรือเป็นกำลังในการเผยแพร่พระธรรมวินัยในสายพระทุดงกรรมฐานเริ่มจุดตั้งแต่จังหวัดสกนลคนลครนครพานนมอุบลราชธานี จังหวัดเลยจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่จนกระทั่งมีโรกเศรษฐโลกขาตั้งวัดตั้งวากันมากมายตายกองเมื่อก่อนวัดคณะธรรมยศในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึงร้อยวัดแต่เวลานี้เรามีวัดคณะธรรมยุศมากมายกเพราะเนื่องจากผลงานของพระเถระทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อสมัย ที่เป็นสัมมาเลนเด็กๆไปทุดงเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผมผ้าจีวนดำๆไปที่ไหนเพื่อนเขาถุยน้ำลายอาจารย์บางองค์ท่านไปทุดงท่านชอบออเนี่ยเขาไม่ทีเดินตามหลังไปด้วยเดินไปห่างๆในในชาวไร่ชาวนาเขาไม่เคยเห็นพระแบบกดตาพายบาท แล้วเขาก็ตะโกนถามเจ้าคู่เอจะพาลูกพาเมียไปสร้างบ้านสร้างเบื้องที่ไหนนาะเขาว่าอย่างนี้ด็กผาจีบอลดำดอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนนี่เดินไปที่ไหนเขาถุยน้ําลายแต่มาปัจจุบันนี่ยผ้าจีบอลดำนี่กลับมีราคาเสียดายที่อจะมาไม่ได้เอาจีวรฝืนที่เคยหม่มแล้วโดนเขาด่าแล้วเกาถุยน้ํำลายไลย่ เก็บไปเป็นอนุสรเอาละเอากันเพียงแค่นี้ผูดหมากไปเดี๋ยวมันจะออกนอกลูกนอกทาง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอันว่าเราจะรับอันดับของพระทุดงกรรมฐานซึ่งเป็นผู้นำในการเดินทุดงในป่าในเขาเนี่ยอันดับหนึ่งหลวงปู่มัน่น อันดับหนึ่งหลวงปู่เสาอันดับสองหลวงปู่มั่นอันดับสามหลวงปู่สิงอันดับสี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นเป็นเอกครูบาอาจารย์ท่านว่าลุ่นของพวกอาตมานี่เป็นอันดับห้าแล้วก็ยังเป็นห่วงบิตกอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักว่าต่อไปนี้กรรมฐานทั้งหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมด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 พระบุรพาจารย์ของเราอาจะมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรเียมนั่งสมาธิการสอนสมาธิภาวนา ตามแบบฉบับของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มันท่านให้เริ่มต้นด้วยการภาวนาพูดถูเคยได้ยินหลวงปูเ่เสาเมื่อมีคนมาถามหลวงปูเ่เสานั่นเขาเรียกว่าญาทาน ยาท่านนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือเวลาผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาจะไปถามว่ายาท่านอยากจะภาวนาทำอย่างไรโพธิโทซิภาวนาโพูดโทแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นอย่าถาม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 ว่าทำไมหลวงปู่เสาจึงสอนให้ภาวนาพุธโธก็มาได้ความว่าโธพธโ์แปลว่าผู้รู้โพธโทธแปลว่าผู้รู้โคโรนี่เป็นภาษาภาคกลาง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 ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่ม เ, วเว ม, ขมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนกายวาจาสกบท่านเรียกว่าผูู้้คือผู้ไม่ดือ้อที่นี้ภาษาภาคกลางเขาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้สึกสำนึกเหดุชอบชั่วดี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 ที่นี้เมื่อกายก็ไม่ฆ่าไม่รักไม่ดื่มน้ำดองของเมาวาจาก็ไม่โกหกไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ่อเจ้อเล็้วไหลไม่พูดยาะ ย, ย, ยุยงส่งเสริมให้ใครต่อใครก็แตกสามนาทีกันในเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็เป็นผู้รู้ คือเป็นผู้ผู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระอาจารย์เสวให้ภาวนาผู้โธก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ที่นี้ผู้โธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นแปลว่าผู้เบิกบานรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ ตื่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาสติวิญโยสติเป็นผู้นำผู้ที่มีสติเป็นผู้นำยอมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน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 ถ้าว่าใครจะสงสัยต่อไปอีกว่าภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้ได้เหมือนกันหลักของการภาวนาอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เฉพาะแต่ที่เราจะมาเถียงกันโพธดทอสมาระหังยบหนอพองหนออยู่นี่เสียเวลาเปล่าเปล่า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 อาจารย์องค์นั่นยังว่าพุทโทนี่ได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสนาเดชแล้วภาวนาพุทโธไปนี่มันจะไม่เสียเวลาหรืออ้าวถ้ามาสงสัยอย่างนี่จ้างอีกต่อให้อายุเยืนแปดหมืนปีมาภาวนาด้วยความขล่องใจสงสัยท่านจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลย อาจจะมาขอบอกว่าภาวนาพโพุทอก็ดีสัมมาระหังก็ดียบหนอพองหนอก็ดีขอให้เอาจริงสอย่าง้าไมเอาจริงแล้วทำด้วยความค้่องใจสงสัยลวนเลอยู่อย่างนี้ต่อให้มีอายุเยืนตั้งแปดหมืนปีภาวนาไปเถอะไม่มีทางได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนว่าใครจะท่องคำไหนเป็นคำภาวนาเอาให้มันแน่วแน่ไม่เฉพาะแต่ยบหนอพองนนอสัมมาอรหังพโพธอดอกที่น้องเอ๋ยขนาดคำภาวนาเยซูเยซูเยซูเยซูก็ยังสามารถทำจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้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 แต่กำหนดรู้จิตในหลักกรรมฐานเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการกำหนดสติตามรู้จิตถ้าจิตนิ่งก็รู้จิตคิดก็รู้จิตเดือดร้อนวุ่นวายก็รู้จิตสงบสุขสบายก็รู้เมื่อเรามีสติกำหนดจิตแล้วเรารล้หมดทุกอย่างภายในจิตของเราแล้วปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้สมาธิรู้ทมเห็นทม พราะนั่นเพี่น้องทั้งหลายเอ่ยเรื่องหลักและวิธีการภาวนานี่เลิกเลิกเถียงกันเชื่อเถอะสมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์สแสวงาหาโมกขธรรมแสวงหาทางตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นก่อนหน้านั่นคำว่าพุโทโธก็ไม่มีสัมมาละหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มี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 เพราะว่าพระองค์ไปภาวนาท่องมนในสำนักฤาษีมาหมดทุกสำนักแล้วในประเทศอินเดียไปที่ไหนก็ให้ท่องใ่มนไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่ม น, น, อมนพอไปนั่งภาวนาเข้าอ้อมภาษิวะอ้อมถนนอ้มพระนีดพระพรหมพระอะไรต่อมีอะไรแล้วที่นี่ไปภาวนาแบบท่องมนนั่นจิตของพระองค์ก็สงบได้สมาธิได้สมาบัติ